เจอกันครังแรกตอนไหนความสรงจำเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อไรที่ทำเราสองคนเดิมหวันไว้หรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องนอนเสียใจหรือในตอนที่เราต้องไกลมันทำให้ผมได้รู้ว่าคิดถึงแต่คุณและในตอนนี้ ก็อบห่วใจยังไฟที่รอตอนหนึ่งหนาวใกล้ในตอนนี้ในเวลานี้ลวงไล้มานานเป็นปีให้ดวงดาวทับไป ก็จะรักแค่คุณเท่านั้นนัานแสนนานก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณและจะมีแค่คุณคุณเดียวโอเรื่งมันราที่ได้เคย จะมีแค่เพียงเราไม่มีใครต้องเหงาและไม่มีใครต้องเศร้าสองเราเดินเคียงกันไป No No, no. ขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่ y a h